เดี๋ยวต่อไปก็ฟังพระธรรมตอ่อเดี๋ยวนอบน้อมพระพุทธเจ้าสักสามบทหนึงลลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก่อนจะศึกษาพระธรรมอทโฮสพันยุตยานังอชันโตอาสวะคายังอิทังดามหังอนุปโตอิดมันโตนามามิหัง ตินโนยวตตุกขัมหาตินังโลกานะโมตะโมติโสภูมิอทิกันโตตินาวังนามามิหังพิโยเดวามนุสสานังพิโยพระมหานะโมตะโม พโยนาคสุปันนานังปิยินเดริหังนา ม, ามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงปราถนาพระสัพพัญยุตยานทรงปราถนาธรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะมีกา ม, มาสวะเป็นต้นก็ได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปราถนาแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้มีความสําเร็จพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นจากวัฏทุกข์ในวัฏฏะได้แล้วเป็นผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดในไตรโลกทรงล่วงไต่ภูมิเสียได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ข้ามโอคะแล้วพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานนาคและคุดเป็นอาทิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีอินทรีย์อิ่มพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าเอาขอมโนธนากับพวกเราทั้งหลายนะที่ตั้งใจในการฟังทานนักถาในทานกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงก็มาพิจารณาตามลาดับ ในด้านของบุคคลผู้รับก็จะขอผ่านนะให้พิจารณาว่าอย่างให้เห็นโทษและเห็นอนิสงเห็นโทษของการไม่ให้เห็นอนิสงของการให้ทานกุศลในอดีตพระโพธิสัตว์ทรงเห็นโทษของการไม่ให้ทานว่าความพินาศมากมายหลายอย่างเกิดจากความเป็นผู้มกักมากในวัตถุกรรมนะฉะนั้นวัตถุที่น่ายินดีได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส และก็ทำมารมความคิดนึกทางใจสภาพจิตใจที่มีราคาเป็นต้นเหล่านั้นนะก็ไปติดข้องห่วงแหนยึดครองอยู่กะะับวัตถุสิ่งของเหล่านั้นทั้งสิ่งของที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตถ้าสิ่งของที่มีชีวิตก็มีภรรยาสามีลูกและบริวารเป็นต้นพ่อแม่ถ้าไม่มีชีวิตก็บ้านรถยนต์ที่ดินเสื้อผ้าเครื่องประดับ ม่ว่าจะเป็นทองคําเพชรนินจินดาทั้งหลายนั้นสิ่งของที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่นํามาซึ่งความยินดีสัตว์ทั้งหลายก็ไม่กล้าสลัไม่กล้าที่จะให้การพิจารณาเพื่อจะน้อมใจในการให้ทานก็คือพิจารณาทรัพย์นั้นเป็นที่ตั้งของมหันตภัยเป็นที่ตั้งของมหันตุกวัตถุเหล่านี้นะล้วนเป็นที่ตั้งของมหาภัยอย่างมากมายนะจากโจรผู้ร้ายเขาเรียกเจอรภัยเนี่ย อุทกภัยวาตะภัยอัคีภัยใช่ไมไม่ว่าจะน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหมภัยที่เกิดจากรัฐมีการเรียกเก็บภาษีเป็นต้นเหล่านี้นะถ้าพิจารณาดีเฉพา ะ, ะวัตถุสิ่งของที่มีราคาข้า ง, งวดเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะวิวาทไม่เว้นแม้แต่พี่น้องที่คานตามกันออกมานี่นะที่สุดจริงๆเกิดมาก็มาแย่งมาชิงทรัพย์มรดกที่พ่อแม่เฝ้ารักษาไว้นี่นะ สามีภรรยาเพื่อนปูงที่เคยรักใคร่กันก็ต้องมาแตกแยกจากการผิดใจกันก็ด้วยผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวเนี่ยสุดท้ายเมื่อแย่งชิงกันมาไม่ได้ก็มีการฆ่ามีการจองเวรซึ่งกันและกันมีการเข็นฆ่ากันมีการประหัดประหารกันมีการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแยบคายพิจารณาอย่างไตรตรองอย่างถูกทางอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ย ก็พิจารณาเห็นโทษแห่งการยื้อแย่งว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารไม่มีไม่มีสาระไม่นำมาซึ่งสีละสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณทัศนสาระเลยไม่ได้นำมาซึ่งศีลสมาธิปัญญาไม่นำมาซึ่งสาระคุณใดๆเลยนะแต่ไม่มีสาระของความงามอยู่ในนั้นไม่มีสาระของความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีสาระของความสุขที่แท้จริง และที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าเป็นอนาตตาไม่ได้เป็นอัตตาคอนโทรลไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้จริงก็คือว่านำมาซึ่งความเศร้าโศกในที่สุดจริงๆซับก็นำมาซึ่งความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจก็ความรับแค้นใจก็คือว่าได้มาแล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดติดทั้งหลายผู้มีจิตนีหวงแหนเะนี่ คือตะนีกะทีเหนียวเนี่ยไม่เหมือนกันนะตนีก็อย่างทีเหนียวก็อย่างใช่ไหมแต่มาจาับจำสับประรีไม่ได้ตนีหนาหน่าจะมาจากคาว่ามัชเชระนี่นะแต่ทีเหนียวนี่มีสับาลีอยู่สับหนึ่งแต่ภาษาไทยไม่ใช้คําว่าทีเหนียวไอ้คําว่าตนีเนี่ยแปลว่าตนเองไม่กล้าสละของตนเองเลยไม่อยากจะให้ไม่อยากจะสละของของตนเองถ้ากรมทีเหนียวเนี่ ย, ายาๆๆคือกรมที่ห้ามคนอื่นที่เขาจะให้ เมื่อเขาจะให้ก็ไปห้ามเขาอย่าไปให้อย่าไปให้เที่ยวไปห่วงของคนอื่นที่เรารู้จักมักคุณอะไรทั้งหลายพอเขาจะให้ก็โทรศัพท์เขาบอกอย่าไปให้นะไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เขาเรียกกลุ่มทีเหนียวนะฉะนั้นตนหนีกับทีเหนียวก็ไปแยกกันบางคนก็มีทั้งตนหนีมีทั้งทีเหนียวนะีอันนี้ก็ไปแยกแยกในรายละเอียดผู้มีปัญญาก็พิจารณาเห็นโทษ ก, การเยื่อแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารของความงามและเที่ยงเป็นต้นเหล่านี้เลย นำความโศกทิ้งรอยน้ําตาไว้บนทรัพย์สินที่ชิงมาเมาป็นต้นเหล่านี้นะผู้มีจิตตนีที่เหนียวต่างๆเหล่านี้ก็หมกมุ่นอยู่ในวัตถุที่ห่วงแหนตายแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตแล้วก็สุรกาเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะให้พิจารณาดูนะว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยที่เราทั้งหลายที่กําลังคลองอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้กระแสะชีวิตของเราเหมือนกับยืนอยู่บนเส้นเชือกเส้นได้เล็กๆเท่านั้นแหละ ไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรเลยนะไม่มีความปลอดภัยใดๆเลยเนี่ยแต่ที่เราสามารถดารงอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่กับทรัพย์ได้อยู่กับบุตรบริวารได้นั้นเพราะบุญยังรักษาอยู่กุศลทั้งหลายที่สุจริตกรรมทั้งหลายที่ทํามานั้นน่ยยังประคับประคองยังดูแลอยู่นะถ้าบุญหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะหมดวันนั้นแหละฉะนั้นวันใดบุญหมดวันนั้นมันก็หมดสถานะ วันนี้ยังมีการครอบครองบริบรารอยู่ญาติมิตรอยู่สถานะอยู่แต่ยังให้บุญหมดนะซึ่งเราก็ไม่รู้บุญไม่เคยมาบอกเราเลยไม่เคยบอกไม่เคยมาเข้าฝันไม่เคยหลายหลายคนเนี่ยถ้าหากแผ่นดินจะไหวมีไม่เข้าฝันก่อนไหมก็ไม่มีไม่มีหรอกบางทีก็มีการแจ้งมาทางองคกมอุตุแจ้งเอาไว้จะไหมจะเกิดเท่านั้นตอนนี้ลมพายุมาแล้วก็นึกว่า ม, มีมีอะไรมากหรอกแต่ที่ไหนได้ เห็นไหมคนที่วนก่อนคนก็มานั่งคุยให้ฟังก็บอกว่าเครียดกันมากเครียดเรื่องไอ้นี่ยอุทกภัยวาตภัยอัคขีภัยในะโดยเฉพาะแผ่นดินไหวเนะี่ยเครียดกันมากโดยเฉพาะนักวิชาการตั้งหลายก็ออกมาตามสื่ออะไรต่างๆนี้ก็บอกว่าแผ่นดินตรงนั้นก็ลาวแล้วเราแผ่นดินมีการแยกตรงนั้นเดี๋ยวเกิดจะมีระบบสึนามิขึ้นอะไรต่างๆโอ้โหกลัวกันล้นลานอะไต่างๆเนี่ยเข้าไปถามพระพระบอพระไม่กลัวหรอก เออทำไมถึงไม่กลัวอ๋อพระเจริญกุศลไว้แล้วถ้าตายก็มีสุคติจะไม่ไปกลัวอะไรฉนั้นคนที่เขาทำบุญเขาไว้ก็เจริญกุศลไว้เนี่ยเขาไม่กลัวตายนะเขาไม่กลัวตายหรอกถ้าหากมีมหันตภัยมาเอาวันก่อนมีคนมาบอกให้ฟังนะเขาบอกว่าจะมีเนี่ย มีไอ้ไอ้ดวงดาวขนาดมหอมานี่นะไอ้ดาวนโปคอขนาดเมือน้าหนักประมาณสักห้าสิบห้าล้านตันมันก็คงจะวิ่งชนโลกเอาอีกแล้วไปคนก็ตกเตอแดกเตือนอย่างเี้ยเราก็บอกเนี่ยประมาณภายในปีนี้จะวิ่งชนโลกใบนี้เขาบอกไงเอตีนี้ใครจะถูกลังวัลนไงตีนี้ยถ้าลงสมมตินะระดับห้าสิบห้าล้านตันถ้าตูมลงในทะเลนี่ถามว่าแล้วแล้วขึ้นทะเลจะสูงกี่เมตรเนี่ย โอ้โหไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมตรงนี้ก็ให้พิจรารณานี่ไงคือมหันตภัยทราบทั้งหลายนบีที่ตั้งของมหันตภัยแบบนี้แหละฉะนั้นแต่ถ้าคนเจริญกุศลมาดีเขาก็ไม่กลัวที่ไม่กลัวเพราะเขาขนทราบออกจากบ้านเรียบร้อยแลย้วใช่ไหมเขาขนออกจากบ้านเรียบร้อยแลย้วตรงนี้ก็คือว่าให้พิจรารณ า, าว่าว่าทรา์เปรียบเสมือนเรือนที่กําลังถูกไฟไหม้ เมื่อเรือนถูกไฟไหม้บุคคลผู้เป็นเจ้าของเ่ยขนสิ่งของอันใดออกไปได้สิ่งของอันนั้นน่ยย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าของนั้นแต่ของที่ถูกไฟไหม้ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเลยโลกเนี่ยขันทัานโลกนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่นะมันถูกไฟไฟคือชราแผดเผามรณะห้ามพันธ์ต่างๆเลยนะี่นะชราพยาธิมันเผาอยู่ตลอดเวลาทุกกระแสทุกอนูของร่างกายนี่นะ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดเหล่านี้ยมันถูกชลาถูกพญาที่เผาแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมมรณะก็คอยห้ามหันมันก็คอยตัดรอนอยู่ตลอดเวลานี่แปลว่าอะไรกระแสะชีวิตมันจะร่วงวันใดวันหนึ่งอยู่แล้วนี่เขาเรียกว่าถูกไฟโลกกําลังถูกเผาแล้วบุคคลพึงนําออกเสียด้วยการให้ทานด้วยการสละด้วยการให้ ทานที่ให้แล้วจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามชื่อว่าเป็นอันนําออกได้ดีแล้วท่า น, นจะให้น้อยจะให้มากชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นได้นําออกจากบ้านที่ไฟกําลังไหม้บ้านแล้วท่านทั้งหลายที่ได้สละนะได้สละเนะี่ยว่าเป็นบุญยราบของเราได้เน้อ no เนี่ยเราได้ขนทรัพย์ออกจากบ้านนะสิ่งไหนขนได้ทานสิ่งนั้นเป็นของเราเรียบร้อยแล้วเนะีอันนี้มองอย่างห ย, ยาบๆก่อนเ่งนะ สิ่งไหนที่ยังอยู่ในบ้านอยู่ในที่สุดจริงๆไฟก็ไหม้ก็ไฟมันไหม้อยู่ชราก็แผดเผามรณะก็ห่ําหันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมฉะนั้นอ่ะชื่อว่าเป็นอันนําออกดังนั้นพวกขอเมื่อทําการขอย่อมเป็นผู้คุ้นเคยแกเราและพอบอกความลับของตนว่าเป็นผู้แนะนำแกเรานะพอบอกว่าจงถือเอาสิ่งของที่จะติดตัวไปสู่โลกหน้าเธอเขามาบอกความลับอย่างนั้นเขาบอกท่านทั้งหลายนะ อย่างพระบเบญบาตมาหน้าบ้านเบสเซ็์เนี่ยท่านนั่งท่านยืนนิ่งๆอยู่ท่านบอกอะไรความลับอะไรเรารู้ไหมท่านบอกว่าท่านทั้งหลายชราพยาธิกาลังเผาท่านอยู่ไฟกําลังไหม้บ้านหลังนี้อยู่ท่านเอ้ยในบ้านของท่านหลังนี้ยถ้าท่านขนอะไรออกมาใส่บาตรได้เนี่ยอันนี้หมายถึงของที่กินได้เนะไม่ใช่อันนั้นแหละทราบสมบัตินั้นชื่อว่าท่านได้ขนออกจากบ้านที่ไฟกําลังไหม้แล้ว การขออย่างพระรยาท่านขอแบบนิ่งๆ น, นะท่านไม่พูดหรอกท่านไปบินธาบาตต์ตังเกต ด, ด้วยทีมีไหมเข้าไปตะโกนบ้านโย่มพระมาแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีหรอกเข้ามาท่านก็ไปยืนนิ่งๆแล้วก็เลยการขอแบบพระรยาภระยาท่านขอกันแบบนี้เป็นอริยวงนะวงของพระเจ้าเหมือนพระเจ้าไปบินธาบาตตอนนี้พระเจ้าสุดโตทนะไปออกลูกทําไมทําให้พ่ออับอายอย่างนี้วงเราไม่เคยทำอย่างนี้ บน่นตำหนีพ่พระเจ้าพระเจ้าบอกอันนั้นไม่ใช่วงองในถ้าคนนี่วง ง, งพระเจ้าเนี่ยเขาทำกันแบบนี้เลยฉะนั้นบินดบาตนี่คือวง ง, งพระเจ้าเนี่ยเป็นอริยวงฉะนั้นเมื่อโลกถูกไฟไหม้ถูกชลาแผดเผาอยู่นะเป็นสหาย ถ, ถูกชลามรณะเผาอยู่เราจะเป็นสหายช่วยคนทรัพย์ของท่านออกไปจากโลกนี้เข้ามาบอกเราแบบนี้ ฉะนั้นผู้ขอจึงเป็นผู้มีอุปการละคุณนีจึงเป็นผู้มีอุปการละซึ่งเป็นที่เก็บของที่ขนออกไปได้แล้วผู้ขอเป็นกัลยาณมิตรอย่างยอดเยี่ยมด้วยไม่ใช่เป็นมิตรธรรมดานะเป็นกัลยาณมิตรอย่างยอดเยี่ยมเพราะเป็นสหายในการทําสิ่งที่ดีงามในการให้ทานให้สําเร็จให้บริบูรณ์เป็นต้นด้วยและเป็นองค์ประกอบให้ถึงพุทธภูมิตั้งสอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้หมายถึงคิดอย่างพุทธเจ้าก่อนนะปัญญา ปัญญาทิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาที่กะพุทธเจ้าและวิริยะที่กะพุทธเจ้านี่นะพุทธเจ้าทั้งสาประเภทนี่นะไม่ว่าจะเป็นปัญญาทิกะศรัทธาธี่กะหรือวิริยาธิกะเนี่ยคนที่จะถึงพุทธภูมิทั้งสาประการเป็นต้นนี้ได้ก็ยังไงทางนฉันั้นในกระแสะจิตใจของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านจึงแนบสนิทกับการสละทรัพย์ที่มีทั้งหมดนี่นะก็เพียงเพื่อ อ, อุปการละแก่สัตว์อื่นโดยแท้ อวัยวะทุกชิ้นที่มีอยู่ก็เพียงเพื่ออุปการะแกสัตว์อื่นโดยแท้แม้ชีวิตที่มีอยู่ก็เพียงเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นโดยแท้ฉะนั้นชีวิตอวัยวะและทรัพย์ที่ท่านมีนั้นจึงมีไว้เพื่อการอุปการะเพื่อสละเพื่อให้โดยแท้การที่ท่านจะถึงพุทธภูมิเนี่ยนะปัญญาที่ก่าพระเจ้าศรัทธ า, าที่ก่าพระเจ้าแล้วก็วิริยะที่ก่าพระเจ้าเนี่ยนะที่หาได้ยากอย่างยิ่งและเลิศ ก, กว่าสมบัติทั้งปวงนะ สัมมาสัมปวิยาวนี่เป็นสมบัติที่เลิศ ม, มาสัมมาสัมปวิยาค่ะพอที่ศาสตร์ก็พิจารณาเห็นอนิสงฆ์ว่าพิจารณาโทษแล้วก็พิจารณาเห็นอนิสงฆ์ของการบริจาคทานว่าเป็นเหตุให้ถึงความสวัสดีโสตถโสตถีเนี่เข้าถึงความสวัสดีเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้ขอย่อมได้โพกทรัพย์อันใหญ่หลวงเป็นบันไดสร้างกุศลธรรมชั้นสูงก็แปลว่า ทานกุศลจะเป็นบันไดแก่ศีลกุศลแก่ภาวนากุศลทั้งสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาและก็จะเป็นปัจจัยแก่บารมีเหล่าอื่นเป็นต้นด้วยใช่ไหมฉะนั้นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาเป็นต้นเหล่านี้สรุปก็คือสรุปลงทานศีลภาวนาวการที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นหรืออย่างเราทั้งทั้งหลายก็ตั้งอัตยาสัยว่าจากบรรลุปัจเจกับโพธิญาณหรือสาวกัโพธิญาณ น, นั้นก็ใสาทานเป็นลระดับแรกก่อน ถ้าเรายังยึดอยู่ในวัตถุสิ่งของยึดอยู่ในอวัยวะมีระดับสูงนะยึดอยู่ในชีวิตไม่สามารถที่จะบรรลุโพธิญาณได้เลยเราก็เหมือนกันนะถ้าจิตเรายังยึดติดอยู่ในวัตถุสิ่งของเป็นต้นเหล่านี้ยังหวงแเห็นอวัยวะบางชิ้นบางส่วนอยู่เป็นต้นเหล่านี้ยังอะไรอวรชีวิตไม่กล้ารักษาศีลไม่กล้าให้ทานเป็นต้นเหล่านี้เราจะบรรลุโพธิสาวกาโพธิก็ไม่ได้ จะได้อย่างไรจึงบำเพ็ญทานบารมีสละวัตถุทานทุกอย่างต่อผู้ขอทั้งหลายแล้วเมื่อให้แล้วท่านก็เกิดปีติปาโมทโสมนัสว่าทานของเราดีแล้วหนอเป็นลากของเราแล้วหนอทรัพย์ที่เราให้นี้จะมาเป็นอริยทรัพย์เนอต่อไปจะได้ไหมจากการสละวัตถุทรัพย์ภายนอกจะเป็นปัจจัยแก่อริยทรัพย์คือภายในใช่ไหมทรัพย์คือศรัทธา ทรา์คือศีลทรา์คือสุตะทรพย์คือจาระและปัญญาต่อไปจะวัดได้ไงบอกว่าเออเนี่ยเทวดาชั้นจาตุมมีศรัทธาเช่นไรเราก็มีศรัทธาเช่นนั้นตอนนี้มีอย่างเทวดาชั้นจาตุมมีศีลอย่างไรเราก็จะมีศีลอย่างนั้นเทวดาชั้นจาตุมเป็นต้นมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาอย่างไรเราก็มีศีลสุตะจาระปัญญาอันนี้เขาเรียกว่า รู้จักตนไงตอนนี้เรากำลังศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาพุทธพจน์มาวางกลางไว้สุดตะเคยะเวยกากระนาเป็นตน้นหรือว่าพระวินายวิโดพระสุตตันโยบิโดพระวิธรรมวิโดที่เรามาเรียนกันอยู่เนี่ยนะอันนี้เขาเรียกศึกษาในเรื่องของขีด ท, ท, ทีนี้เจาะเลยว่าตอนนี้เรากำลังเรียงทานในกุศลนะ พจะพัฒนาวิสุสี์กุศลนะเจตนาทานเป็นอย่างนี้วัตถุทานเป็นอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปก็อโลภาทานจะฝึกมีการให้อย่างไงใช่จะทาอโลพาให้ยิ่งยวดอโทสะให้ยิ่งยวดแล้วจะทำปัญญาที่เป็นประดุดดวงประทีบนําทางสองทางให้ได้ให้เกิดได้จริงในการให้ทานไม่ใช่เป็นแค่ว่าเอยสละวัตถุทิ้งไปแต่ว่าตัวเจตนาทานต่างๆไม่ยิ่งใหญ่ นี่ก็บอกว่าแคนั้นกรณีแห่งการที่จะทําให้เกิดขึ้นต่างๆเหลนี้ก็เกิดปีติโสมนะทว่าทานของเราดีแล้วเนาะเป็นลาภของเราแล้วเนาะทรัพย์ที่เราให้จักเป็นอริยทรัพย์เขาเรียกว่ารู้จักเขตและรู้จักผลก็มารู้จักอัฏฐะเนื้อความนะความหมายของคําว่าทานความหมายของคำว่าศีลเป็นต้นเหล่านี้รู้อัฏฐะเนื้อความทั้งหลายเหล่านี้สามารถเจาะเข้าใจอัฏฐะที่แท้จริงได้เมื่อรู้อย่างนั้นเบ็ดเสร็จก็มาประกอบไว้ในใจตนว่าเอ๊ะทานกุศลแบบนี้ในใจของเรามีหรือไม่มี ศีลกุศลในใจของเรามีไหมศรัทธามีไหมเป็นต้นถ้ามีมีระดับไหนระดับไหนเป็นต้นเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์ท like ั 85, borders, itive, ้งปวงเพื่อเป็นเหตุให้ได้บรรลุพุทธภูมิที่ได้ยากอย่างยิ่งจึงเลิศกว่าสมบัติทั้งปวงในโลกอันนี้สงในการให้ทานเนี่ยนะผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนหมู่มากในชาดกเนี่ยนะฤาษีที่ตักน้ําให้กษัตริย์ป่ากินเนี่ยมีเรื่องเล่าในโดยย่อๆคือในสมัยที่พระเจ้าพระมทัยครองราชสมบัติ ที่กรุงพราณสีก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเกิดในตระกูลที่สูงสักมีความฉลาดเป็นที่รักเนีเป็นที่รนะักแล้วก็รักษาศีลธรรมเป็นต้นเข้าไปเรียนในสำนักที่สาปา่าโมกพอเรียนจบก็บวชเป็นฤๅษีอยู่ในป่าหิมพานฤๅษีก็มีฤๅษีเป็นบริวารอีก500รนะในฤ ด, ดูแล้งป่าแห่งนั้นก็เกิดแห้งแล้งน้ําในแม่น้ําก็แห้งสัตว์ป่าทั้งหลายไม่มีน้ําจะกินก็พากันเดือดร้อนทั้งป่าฤๅษีก็สงสารและกรุณาต่อสัตว์ เมื่อมีความกรุณาสงสารแก่สัตว์ป่าทั้งปวงแล้วก็ตัดไม้เพื่อนี้ที่เขาใหญ่ก็เหมือนกันนะเอามาไปก็ถามชาวบ้านทิวิญญาบาทเขาบอกว่าเออที่อยู่ติดเขาเนี่ยยามหน้าหน้าแรงเนี่ยเนาะเวลาชาวบ้านก็ปลูกผักปลูกแตงปลูกข้าวโพดแดงด่างออมันมันมั น, มนช้างทั้งหลายเหล่านี้สัตว์ป่าทั้งหลายก็หิวลงมาลงมาเป็นฝงเลยก็ต้องนั่งดูเข้าเงีนั่งดูเขามากิน กินเสเสร็จก็ขึ้นป่าขึ้นขึ้นขึ้นจากจากท้องทุ่งข้างล่างเลยก็ไปสังเกต ด, ดูอ๋อประชากรเนี่ยประชาชนเนี่ยไปไปบุกลุกป่าเขาตอนนี้ที่ทํากินของเขามันน้อยใช่ไหมที่ที่อยู่ของสัตว์ก็เริ่มน้อยลงไม่ใช่มากนะเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเนี่ยป่าเหลือน้อยมากนี่งไงนี่จะเห็นชัดเลยเนี่ยเราไปลุกลานเขาเนี่ยลุกลานเขาเขาก็เดือดร้อนกันทีนเดี๋นี้ ถึงหน้าแรงแต่ได้ทีเดือดร้อนก็ก็ลงมาลงมาเลยเอชาวพุทธนี่ศึกษาคําสอนกันยังไงก็ไม่รู้แต่นี้ป่าภูเขาหวัวล้นหมดเลย <c oughs> ไม่รู้ศึกษายัางไงเลยที่พวกเราต้องช่วยกันกระจายข่าวอย่างนั้นไม่ใช่เป็นกุศลเลยนี่นะไเปเบียดเบียนเขาอะ่ะเ <c oughs> บียดเบียนนกพอไปดูแล้วอ้น่าตกใจไปดูว่าเอ๊ะนี่เป็นอันนี้เป็นที่อยู่มนุษย์ได้ยงไงบนเขาขนาดนี้เ น, น, นี่ยนึกโอ้ นี่นะนะเป็นวงเพราะจริงๆแต่ก่อนก็คือเป็นป่าสงวนยังไงที่สุดจริงๆเมื่อมนุษย์เข้าไปเสร็จเสก็แปลงจากป่าสงวนเป็นป่าธรรมดาเรียบร้อยก็เป็นที่อยู่อาศัยกันแล้วจนนัเข้านักเข้าก็ไปสร้างอะไรเต็มไปหมดเลยนี่แล้วไอเนี้ยกรณีที่ไปบอกว่าเนี่ยที่วางน้ำเขียวเป็นตัวเหไรเ น, นี้ก็บอกอากาศหนึ่งในเจ็ดของโลกพวกไหลไปใหญ่เลยตรนี้เนี้ยเป็นเงี้ยทาไมพูดทําไมตรงเนี้ยไปพูดแล้ยุ่งเนเนี้ยสัตว์ป่าเดือดร้อน ถ้าพูดอย่างนี้สัตว์ป่าเดือดร้อนนี่เบียดเบียนแล้วไหมไม่เป็นอภัยทานแล้วอย่างนี้ยนี่ฤศีนะเห็นสัตว์เหล่านี้ท่านเดือดร้อนใช่หไหมเกิดกรุณาก็ตัดไม้มาทําเป็นรางน้ําสําหรับใส่น้ําให้แก่สัตว์ทั้งหลายให้ดื่มจินทุกเช้าทุกเช้านี่นะฤศีก็ต้องตักน้ําใส่รางตลอดไม่เคยขาดเลยให้ทานแล้วนี่ให้ทานเห็นไหมเอาน้ำจากธรรมชาตินะมาให้ทานนว่จากธรรมชาติให้เอามาให้ทานเป็นทานกุศลเห็นไหมเนี่ย ไม่จําเป็นในเรื่องทาใงให้สังเกตดูไหมอกิตเตอร์เวลาให้ทานเนะ่ยดอกไม้ก็ใบไม้ก็ในป่านี่แหละก็ใบไม้ในป่าเดี๋ยมันเจริญทานกุศลแต่เป็นอุปบาเรามีเป็นต้นได้เห็นไหมเนี่ยดูอั้คืฉลาดคิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าอุบาสกท่านหนึ่งอยู่ในวัดนี่นะเอ๊ตอนเองก็ยากจนเนี่ยนะทำไงอะไรก็เลยไปเห็นพระกํากลังจะลงอุโบสถกันก็ไปตักน้ําตักน้าในวัดแล้วก็น้อมถวายน้อมถวาย ต่อมาเป็นปัจจัยการบรรลุเลยนะี่พอามาเจริลจะเป็นปัจจัยการบรร ล, ลุนี่ไงเอาของธรรมชาติและเจริญทานในกุศลเนี่ยฤาษีท่านก็ทำเนี่ยสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก็ลงมาดื่มกินกันแม่ค่ะตัวท่านจึงไม่มีเวลาออกไปหาอาหารบริโภคแต่จิตที่คิดจะช่วยสัตว์ทั้งหลายนะั้นน่ะฤาษีก็อดทนอดทนสัตว์ป่าท่านอดทนนะท่านผอมผอมท่านก็อดทนในการที่จะสัตว์ป่ารู้อย่างนั้นก็บอกเรา เพื่อนแล้วเนี๋ยน้สัตว์ป่าเริ่มเรียนเออคนที่ช่วยเราเนี่ยเอออดลำบากขอมโซเลยเนี่ยเออชีวิตของเราทำไงในสุดจริงก็พากันปบอาผลไม้ติดไม้ติดมือฝากฤๅษีเป็นใหญ่เลยยเียจากมนุษย์ช่วยคนเียนี เ, นยเออช่วยมนุษย์ช่วยสัตว์ป่าสัตว์ป่าเรื่อเหมือนมาดูแลแล้วฤๅษีมีผลไม้บริโภคและที่ดีไกว่านั้นก็คือมีให้กับบริวารทั้งหารอย สัตว์เปล่ามาให้เสร็จเสร็จไม่ต้องไปหาเลยทีนี้ให้ยังไงก็ไม่หมดโดยเฉพาะมะม่วงมีมากมายจึงแบ่งปันให้ลือศีองค์อื่นๆได้กินกันอย่างอิ่ม้นำพระโพธสัตว์ก็กล่าวชมบอกว่าพวกเราอาศัยลือศีที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นทำลือศีอีก500ตนเนี่ยอิ่มท้องโดยไม่ต้องออกไปหาอาหารคนเรามีความพยายามผลของความพยายามนีไ่ไหอย่างลือศีเนี่ยในชาดกนี้ก็มาพิจารณาบอกว่าการให้ทานเป็นเครื่องยึดเหนียว ใจของกันและกันนั่นแหละเป็นที่รักเมื่อมีเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกันแล้วเนี่ยย่อมเป็นเขตุให้ชนทั้งหลายมารักไข่อันนี้ก็พิจารณานะความตนหนีเนี่ยนะเป็นเหตุทําให้คนรังเกียจแต่การสละการให้นะเป็นที่รักเป็นที่รักงานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในยามตกทุกข์ได้ยากโดยแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะเกิดอุทกภยัยวารภายัยอัคขีภัยต่างๆเหล่าเนี้ การสละการช่วยเหลือการแบ่งปันการเผื่อแผ่กันเนี่ยนะตรงนี้ก็มาพิจารณาในกรณีที่เหมือนเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะในชั้นของคําสอนถ้าจะพัฒนาจากกุศลศีลเนี่ยนะทานเข้าสู่กุศลศีลเนี่ยช่วยให้ข้ามพ้นจากอุปสรรคอันตรายและเป็นกําลังสนับสนุนให้บรรลุความสําเร็จเนขะาเรียกว่าเมื่อเราประมาทเพื่อนช่วยปกป้องรักษาให้นยะ เป็นต้นอะก็คือมิตรร่วมสุขร่วมมิตรแนะนำประโยชน์มีน้ําใจต่างๆเหล่านี้ก็เชื่อมโยงไปทีนี้ทานอุกุสนข้อต่อไปข้อที่2 ส, สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทานคำว่าสัตบุตรนี่ก็คือผู้มีศรัทธานในาศาสนาหมายถึงภิกษุภิกษุณีหรือพระโสดาบันพระสกาทาคาพระนาคาพระอรหันต์พระปัเจกพระพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เขาเรียกสัตบุรุษทั้งหลายเหล่านี้ ก็จะคบหาบุคคลผู้ให้ทานบุคคลที่เป็นทานอนบดีเป็นต้นน้น่ในดีตการนะพระเจ้าเพรุวะมหาราชกับพระสมุทรทวิชยเทวีเนี่ยนะปกครองพระรุวันนครก็บำเพ็ญทศพิธราชธรรมส่งเคราะห์หมาชนด้วยสังหาวัตุสี่คือทานปียาวาจาเนี่ยอัตชจริยาสมานัตตามาตลกดแต่ผู้รับทานทั้งหลายนั้นล้วนเป็นผู้ทุศีล ไม่มีคุณธรรมเลยก็ดําริอยากจะถวายทานให้กับพระปัจเจกับพะพุทธเจ้าแทนซึ่งเป็นทักษิเนยยอะบุคคลใช่ไหมในยุคนั้นไม่มีพุทธเจ้านี่แต่ท่านเหล่านั้นอยู่ในป่าหิมพานต์อ๋อเราจะทําอย่างไรเนาจึงจะนิมนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระเทวีก็ทูลบอกว่าอย่าวิตกกังวลเลยบอกว่าเราจะส่งดอกไม้ไปนิมนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไอ้วัดก็ดีสุดท้ายไหม ราจะด้วยกําลังแห่งทานกําลังแห่งศีลกาลังแห่งความสัตด์ของเราทั้งหลายก็รายงานพระราชาเอ๊ะอย่างเราจะไล่จะนิมนต์พระในป่าที่มีฤทธิ์มีชานธริญญาเนี่ยมารับทานธรรมกุศลของเราเนี่ยต้องตั้งหลักต้องกําลังทานแข็งแรงเนอะกำลังศีลกําลังศรัทธาศรัทธาศีลเป็นต้นแข็งแรงพระราชาเมื่ออย่างนั้นก็อธิษฐานอุโบสถ ก็ประกาศให้ชาวนครทั้งหมดเลยนียบอกช่วยกันสมาทานอุโบสถศีลด้วยจากนั้นให้ราชบุตรถือกระเช้าทองคําทั้งหมดประกาศนะพระราชาก็ประกาศไปทั่วแผ่นดินบอกว่าให้รักษาศีลตัวท่านเองก็รักษาอุโบสถศีนเลเนะี่ยเเสร็จก็ให้ราชกุมารให้ราชบุตร ถ, ถือกระเช้าทองใส่ดอกมะลิจนเต็มแล้วก็เสด็จลงจากพระที่พระลานหลวง ก้มลงกราบด้วยเบญจางค้ประดิษฐ์ในทิศตะวันออกก่อนเลยนะทรงประกาศว่าข้าพระเจ้าข อ, อนาัสการพระอทหารทั้งหลายในทิศตะวันออกถ้าคุณความดีของข้าพเจ้ามีอยู่ก็ขอได้โปรดอนุเคราะห์มารับอาหารของข้าพเจ้าทั้งหลายดีเถิดประกาศอย่างนี้แล้วก็ซัดดอกมะลิไปเจ็ดกำมือที่ทางทิศตะวันออกแล้วก็รอหนึ่งวันสองวันสามวันก็นเงียบไม่มาเลย อใจไอย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างเราต้องเอาสี่ทิศหรือ8ดทิศเอา8ทิศนทำให้8ปดทิศเลยก็พอวันต่อมาแต่เนี้ยพระราชาก็ไล่ทิศไปอีกในวันที่สองพระราชาก็นมัสการเมทิทใต้ก็ก็รัฐนาเหมือนกันท่า คุณความดีของข้าพเจ้ามีอยู่ขอได้โปรดอนุเคราะห์มารับอาหารของข้าพเจ้า ด, ด้วยเถิดก็คือทรงประกาศข้าพเจ้าขอนมัสการพระอาหารทั้งหลายในทิศใต้ในทิศก็ไล่ไปตามลําดับนี่นะพอวันที่สก็ทิศตะวัน ต, ตกก็อาราธนาวเหมือนกันบอกว่าทรงประกาศถ้าพักขอพระอาหารทั้งหลายทั้งทิศถ้าคุณความดีของข้าพเจ้ามีอยู่ขอได้โปรดอนุเคราะห์มารับอาหารของข้าพเจ้าทั้งหลายาด้วยเถิดก็เงียบอีกนะ ต่อมาก็ในวันที่สพระราชาก็ทรงนมัสการไปแนวทิศเหนือแล้วก็ซัดดอกมะลิไปในขณะที่สัดดอกมะลิไปดอกมะลิก็ลอยเลยพออะรัตนาเสร็จนะขอได้โปรดมาดูขอลับอาหารของข้าพเจ้าด้วยเสดเนีแล้วก็สัดอัดดอกมะลิไปเจ็ดกำมือเออดอกมะลิล อ, อยหายไปเลยลอยหายไปไปตก ไปตกอยู่เหนือพระปเจพุทธเจ้าทั้งหลาย500รองค์ที่เงื้อมภูเขานันทมูลกัปพระปเจพุทธเจ้านั้นพิจารณาดูก็รู้ว่าเป็นโอนี่นีนพระราชานิมนีนี่เห็นไหมโอ้นี่เป็นเป็นหนังสืออรัตนานีอรัตนนิมนต์หลังจากนั้นพระปเจพุทธเจ้าเจ็ดองค์ก็เหาะมาส่งเคาะที่ประตูพระราชวัง พระราชาและพระเทวีโสมนัดดีใจทําสการละถวายทานอยู่7วันนะเมื่อพระปเจพระพุทธเจ้าเหล่านั้นฉันเสร็จแล้วก็ทําการอนุโมทนาเด๋วพระราชาและพระเทวีตัวต้นพระปเจพระพุทธเจ้าก็ได้ให้อว่าดเด๋ยวเวาชาหมหาบพิษพระองค์ทรงอย่าประมาทเห็นไหมให้ให้โอว่าสั้นมากอย่าประมาทก็คือจงเป็นอยู่อย่างการเจริญสตินะอย่าขาดสติให้ระลึกได้ ให้ตามระลึกได้ให้ย้อนระลึกได้ให้จำได้ให้คิดได้ให้ให้เข้าใจนะอย่าฟันฟ่นเฟือนอย่าเลือนเลอ้อใช่ไหมเพราะลักษณะของสตินั้นก็คือระลึกได้ตามระลึกได้ด้วยย้อนระลึกก็ได้ด้วยจำได้ด้วยนะแล้วก็เหาะไปนะที่พวกเขามูลการทั้งสองพระองค์ก็ทราบซ้านไปด้วยอำนาจของปีติเมื่อพระพเจพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ไปแล้วอีกหก องที่เหลือได้นุโมทนาด้วยคาถาองละหนึ่งคาถาแล้วก็จากไปตรงนี้ก็คือว่านี่ไงว่าการไม่ละเว้นจากศรัทธาที่มีต่อพระปัจเจยพระุเจ้าต่อต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพระปัจเจบพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าก็จะไม่ละเว้นบุคคลที่มีศรัทธาต่อพระองค์เช่นเดียวกันการวางศรัทธาไว้ในพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตน อันนั้นเป็นบอกเกิดอย่งคุณธรรมทั้งหลายนะก็คือหมายความการให้ทานเป็นต้นถ้าไม่มีศรัทธาไม่เชื่อาการตรัสรู้ดีของพระผู้มีพภาคเจ้าเป็นต้นเหล่านี้นะก็ไม่สามารถที่จะรัตนาบุคคลที่เป็นระดับพุท ธ, ธะทั้ง3าประเภทได้สามมาสัมพุท ธ, ธะปะเจพุท ธ, ธะหรือสาวกขาพุท ธ, ธะ